อาจดูขุ่นตาไปหน่อยและอาจใช้ถ้อยคำไม่ค่อยเป็น คำว่ารักที่ฉันมีมันอยากจะให้เธอไม่รู้จะได้ไหมกอดเธอดูดีดูเด่นก็จบให้เธอเป็น ฉันมันเลย ก, กลัวกลัวกล้ากลาอยัางเก่ง ก, ก็บสบตาไม่กล้าจะบอกไปมีบางอย่างที่ขางอยู่ในใจอยากให้เธอได้ฟังเอ้เ e ้เฮ้อยากบอกว่าชอบเธอ ว่าชอบเธอไม่รู้ว่าเธอได้ยินเราเธอจะคิดอย่างไรเฮ่ย <Hey, hey, S 1> จะบอกว่รักเธอแกร ใครใครแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องหัวใจจะไม่เอาไปไหนจะเอาไว้ให้เธอมีบางอย่างที่ค้างอยู่ในใจอยากให้เธอได้ฟัง hey, hey Hey อยากบอกว่าชอบเธอ อยากบอกว่ารักเธอใจฉันมันพูดจริงไม่ได้เพอไปเฮ้เฮ้เฮ้ยอยากบอกว่าชอบเธอ เรรักเธอใจมันพูดจริงไม่ได้เพอไปเฮ้เฮ้ยอจากบอกว่าชอบเธอไม่รู้ว่าเธอได้ยิน เ, เนาร hey, hey, า, า, เ, ธรา เ, ธเธอจะเคียดอย่างไงเฮ้ย